ถามว่ากิเลสมีอย่างเดียวถ้าเราไม่รู้จักลักสนะแล้วจะละอย่างไรได้เพราะฉะนั้นการรู้จักแต่โทสะอย่างเดียวเท่านั้นดูเป็นการบกพร่องมากเพราะผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติก็รู้จักลักษณะของโทสะอย่างเดียวเหมือนกันตอบว่าถูกแล้วเพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงเวในจิตตานุปัสนาสติปฐานให้พิจารณาเห็นในจิตหนึ่งๆนืองอยู่จิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะหรือจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะหรือจิตหายราคะโทสะโมหะก็รู้ชัดว่าจิตหายราคะโทสะโมหะ นิขพระเจ้ากล่าวโดยย่อเพียงสามอย่างเท่านั้นแต่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานของท่านมี16อย่างผู้ถามกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอนสาวกในมหาสติปัฏฐานสูตรให้รู้เรื่องในตัวคือกายเวทนาจิตธรรม เช่นจิต ท, ที่เป็นอกุศลหรือกุศลก็ให้รู้ตลอดกระทั่งขันอายตนะธาตุเพราะฉะนั้นพระสาวกของท่านจึงชำนาญในอริยาสาัจสธรรมะเหล่าใดประกอบทุกข์เป็นส่วนควรกำหนดรู้ธรรมะเหล่าใดประเภทสมุทัยเป็นส่วนควรละธรรมะเหล่าใดประเภทนิโรธ เป็นส่วนควรทำให้แจ้งธรรมะเหล่าใดประเภทมักเป็นส่วนควรเจริญท่านเข้าใจได้ความกันดีจึงทำหน้าที่ของอริยาาสัจสี่ถูกเพราะฉะนั้นท่านจึงถึงมักและผลได้ง่ายตอบว่าถูกแล้วก็เดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่าการทำกิจของอริยาาสัจสี ต้องทำที่ในตัวเช่นกำหนดทุก์ทุกที่มีอยู่ในตัวตามความเป็นจริงคือขันธ์อายตนะธาตุนามรูปการละสมุทัยเหตุเกิดคือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาสามอย่างนี้ที่เกิดขึ้นในใจจริงๆ การทำนิโรธให้แจ้งก็คือดับสมุทยัยก็ต้องดับกิเลสความอยากของตนที่เกิดขึ้นในใจให้หมดไปจริงๆและเจริญมรรคคือศีลสมาธิปัญญาไรสิกขาหรือสามสิกขานี้ก็ต้องให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจและทิฏฐิของตนจริงๆอย่างนี้ จึงชื่อว่าทำถูกหน้าที่ของอริยสัจสี่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมสั่งสอนสาวกให้ตรัสรู้อริยสัจสีก็คือให้รู้เห็นของที่มีอยู่ในตัวจริงๆแต่เราไม่เข้าใจจึงคิดเห็นเป็นสูงไม่สามารถจะทำได้จึงไม่ตรัสรู้ตาม ผู้ถามกล่าวว่าน่าเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคที่ทรงแสดงธรรมสั่งสอนให้เจริญอสุภาษณ์ ญ, ญาความจำหมายในกายว่าไม่งามปฏิกูลหน้าเกลียดทั้งตนและผู้อื่นหรือพิจารณาให้เห็นโทษของกามเห็นอนิสงของเนคขมมะนี่เป็นปฏิปทาเพื่อจะละราคะความกำหนัดยินดีที่ยังไม่เกิดขึ้นในใจไม่ให้เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมหายไปและส่งสั่งสอนให้เจริญเมตตาทั่วไปในสัตว์ไม่มีประมาณและเจริญอัพยาบาทสังกัปปะดำริไม่ยพยาบาทและมีคันติความอดใจไม่โกรธธรรมะเหล่านี้เป็นปฏิปทาเพื่อจะละโทสะความโกรธประทุสร้ายที่ยังไม่เกิดขึ้นในใจไม่ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้ว ให้เสื่อมหายไปและทรงแสดงธรรมสั่งสอนให้เจริญอินทร์สังวรความระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจในเวลาที่ได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องโพธพิภพรู้อารมณ์ด้วยใจ6กอย่างนี้ที่ดีคืออิทธารมที่ไม่ดีคืออนิธารม ไม่ให้อภิชาโทมนัสคือความยินดียินร้ายเกิดขึ้นครอบงำใจได้และเจริญสติปัฏฐานสี่และยินดีในความไม่ประมาทเห็นภัยในความประมาทและเจริญอวิหิงสาสังกัปปะดําริในความไม่เบียดเบียนธรรมะเหล่านี้เป็นปฏิปทาเพื่อจะละโมหะความหลงที่ยังไม่เกิดขึ้นในใจไม่ให้เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมหายไปตอบว่าสาธุท่านเข้าใจได้ความในคำสอนของพระผู้มีพระภาคในการละราคะโทสะโมหะชัดเจนแจ่มแจ้งดีจริงข้าพเจ้าขออนุโมทนาความสามารถรอบรู้ในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นของท่านด้วย ถามว่าข้าพเจ้าสังเกตดูเวลาเจ็บไข้ทำไมจึงมีสติมากและเห็นทุกชัดเวลาหายเจ็บแล้วไม่เห็นทุก์และสติก็น้อยต้องเพียรตั้งใจให้มีสติแต่ถึงเช่นนั้นก็ไม่เห็นทุกข์เหมือนเวลาเจ็บตอบว่าเวลาเจ็บเสวยทุกขเวทนา เวทนาที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นธรรมมาโรมคู่กับใจจึงเกิดมโนวิญญาณความรู้ทางใจชื่อว่ามโนพัสชาทุกขเวทนาผู้ที่ไม่มีสติหรือไม่รู้ความจริงปฏิคานุสัยย่อมตามนอนส่วนผู้ปฏิบัติทราบว่าปฏิฆะเป็นโทษจึงเป็นผู้สงบอยู่ กำหนดรู้ทุกขเวทนาที่ปรากฏอยู่นั้นเฉพาะทุกขเวทนาอารมณ์เดียวรันทุกขเวทนาเหล่านั้นดับไปเปลี่ยนเป็นสุขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาจึงไม่เห็นทุกเพราะเป็นชั้นสมถะไม่ใช่เห็นทุกอริยสัจหรือเห็นทุกขไตรลักษณ์ที่เป็นชั้นปัญญาจึงไม่ทั่วไปในอารมณ์ทั้งปวง การเห็นทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไข้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเห็นทุกในไตรลักษณ์เพราะมีสติสงบอยู่ผิดกับผู้ไม่ปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าเป็นชั้นสมถะสำคัญว่าเป็นชั้นปัญญาแต่รู้สึกแปลกใจว่าเวลาที่หายเจ็บแล้วทำไมจึงไม่เห็นทุกขอท่านจงอธิบายในการรู้ทุกที่เป็นลักษณะของมนโนบิญญา และมีสติสงบอยู่เป็นชั้นสมถะและการเห็นทุกข์ที่เป็นชั้นปัญญาให้ข้าพเจ้าเข้าใจตอบว่าเช่นเวลาเจ็บเจ็บนั้นเป็นธรรมารมคู่กับใจจึงเกิดความรู้ทางใจชื่อว่ามโนวิญญาณแม้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติเวลาเจ็บไข้ เขาก็รู้ว่าเจ็บเพราะวิญญาณนัขขัของใครๆก็มีด้วยการทุกๆคนเพราะฉะนั้นความรู้สึกทุกขเวทนาในเวลาเจ็บจึงเป็นลักษณะของวิญญาณนัขขัผู้ปฏิบัติมีสติสงบใจไม่มีนิวรณ์มาครอบงําใจนี่เป็นชั้นสมถะไม่ชื่อว่าเห็นทุกข์ที่เป็นชั้นปัญญาคงได้ชื่อว่าวิริยะ สติสมาธิเพราะปัญญานั้นไม่ใช่รู้อยู่เฉยๆเฉพาะอารมณ์เดียวคือมีสติสงบอยู่แล้วรู้เห็นความจริงของทุกทั่วไปในขันอายตนะาธาตุนามรูปตามความเป็นจริงอย่างไรหรือเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แจ่มแจ้งชัดเจนจึงเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น นี่เป็นชั้นปัญญา